ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดิเพื่อน้อนมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์วชสล ม, ถมถึงองค์ปัจจุบันบรุง ม, มหาจากักรพรรดิทุกทุ ก, ทกองค์ บารมีรวมพระปฏิเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมของปู่ดู่พ่อมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิกศกบจาทั้งลายที่สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะก็ต่างรูปลักษณ์ของปู่ดูของปู่ทวดก็ต่างจักรพรรดิก็ต่าง ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกชาติขออันเชิญเทพหกชั้นพมยี่สิบชั้นเทพเทพงทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพ้พอมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ชีวิตธรรมแม่ปูเจนีธรรมชีวิตธงเมแ ม, ม่ปูเจนีสังขังชีวิตธรรมมู่เจนพุทธทางวันธามนี้ธรร พุทธังสารนุกัจานิธรรมสารนุกัจจานิสังฆสารานุกัจจานิธุติยามีพุทธังสารานุกัจจานิ ทูติยามติธรรมมังสารังกจามิทูติยามสิสังฆามสารังกจามิสาติยามติปุถามสารังกจามิสาธิยามติธรรมมังสารังกจามิสาธิยามติ ขังสารังขจานิปานติปานาเวรามสิกาปัาสัมมาทิยาณิอาิาเวรามสิกาปัสัมมาทิยาณิอาจารมริย เวรามณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชะอมาทถานาเวระ สิกขาปทานสมาธิานิอิมานิอันจะสิกขาปทานิธียาอิมานิอัจะสิกขาปะทานิสมาธิาน้อิมานิอันจะสิกขาปทานิ สีเ a นะสุขสิ่งยานติสีเลนภูเาสัมปทาสีเลน a เนปุสิ่งยานติอัตมาวิโสทานะโมตัสสะปะคะวะโตอะ a ะสมะสัมพุทธัสสะนะโม ตัศนะพะะโตสมมาสมุทตะนะโมตัศนะพระพาวะโตอาโตสมมาสมุทะพุทธังอะระตนะนังคารุมิธรรมังอะระตนนังคารมิ นังการุณีนโมพุทธิสัตว์อาการจิตมายาอิจิปะคะวะนโมทธิสัตว์อาการจิตมายาอิจิปะคะวะนโมพุทธิสัตว์อาการจิมาย namo h o ่ s a so kumānamyo namo horsa so k u m ā n a n y o namo horsa so kumānamyo yato so mahāyata na k u t a น a e pa p h a k t ม ma yakama tame กัดังโทสังสัพาตังสังตุโยโทโสโมหิตเตนะธรรมะสุนิบาปปะโตมายะคามะทมกัดังโทสังสัพพะอา s ังวินาสังตุโยโทโสโมหิเต นาตังคัสสิมปาปะโตมายาภามิการังโทสังสาปะภาฟังไมนาสันสุนาโมจาระธาเกวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมทัสสะ a าทาวะโตอะระหะโตทัสสะนโมทัสสะปาทาวะโตอะระหะโตสัมปุทตะนโมพุทธายา พระพุทธไตรรัตนยาณมณีนพรัตน์ศีสายสาธุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมระพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหาทีทานวารังคันธัง สีวะริส oh, ah ah ok, ja ัมหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหัง oh วันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสภูทตาธรรมสังฆาปุเจนินาโมภูตายะพระภทตตาปิยะกัญญาญามาหินุกรต สีสะหาสะสุธรรมะพูทโธธรรมโมสังโฆยะถาอูโมนะพูทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาสีธางวะรังตังธังสีวะริจามหาเถรงอาหังวันทาหิสุรโกอาหังวันทาหิอาตุโย อาังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินามพุทธายะระพุทธไตรยตระกูลมานีนพรัสีสาหาสุสัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังกัรธรรมีวะริจามาหาเถระอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพพโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทหายะพระพุทธายะตนะญาณมาหินุปรัสีสาหาสัตตังนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุททาพุทาธัมมะพุทาสังฆะพุทาสีธานังวารังตัง สีวะริจามหาเถราอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาตสโยอหาหังวันทามิสัพะโสพุทธาธรมมะสังฆาปุเสนินาโมพทธายะลาพุทธะไตรยตระรตนดยานมานีนโนปา ร, รัต สีสหาสาตุสังนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะขาอุโมนะบูชาบูทาธรรมะบูชาสังฆบูชาศีทานังวะรังตังศีวะริจนะหาเสารังอาหังวันทาณิสุรโตอาหังวันทาณิทาตโย อหังวันธานิสัพสุปุทะารรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะลาพุทธายะตนะยานมาหนปบราชสีสาหาสุังมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังกัรธัรมสีวะริจามาหาเถังอาหังวันธามิสุรโกอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพะโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทยะระพุทธายะตนะยานาหีรัสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธาพุทธาธรรมะพุาสังฆพุทธาสีธานังวะรังตัง สีวะริจมาหาเถระอาหังวันธานีสุระโตอาหังวันธานีธาติโยอาหังวันธานิสัปปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเสนีนาโมพุทธายะพระพุทธไตรตระนัยานนามีระพุทธ สีสาหาสุธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุตโมนาบูชบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาศีทานังวรังการังศีวะรีกมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาตโย อาัวันธานิอกัสโสภูธาธรรมะสังฆูเจนินโมภูลลาภูธาไทาตนญาณมาเนนประสสีสาหาสุตัมาพุทโธธมโมสังโฆยะาภูโมนะ บูชาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาสีทางวารังก ah ัรธรรมสีวะริจามาหาเถระอาหัง so. ว ah ันทามิสุรโตอาหังว ah ันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสบูชาธรรมาสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระหญาณมีนพรสีสาหาสุตัมนาพโธธัมโมสังโฆยะธาอุตโมนะบูชาบูชาธัมมูชาสังบูชาขีธานังวะรังตัณฑ สีวะริจามาหาเถราอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิสัพสุภูตธทธรรมะสังฆาปุเสนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมะหีโนภาระต สีสะหาสะตุสัมมาภูตโตธรรมโมสังโฆยะาภูตโมนะภูทาูธาธรรมะภูธาสังฆภูธาสีธาณังวรังการังสีวะริสหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาตโย อาังวันธานิสัพสะโสพุทธะธรรมะสังฆาอุเชนินาโมพุทธายะาพุทธะไตรปณายานาโะรสีสหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังคันธ์สีวะริจารมาหาเสนาหาหังวันทามิสุรโตหาหังวันทามิอาติโยหาหังวันทามิสัพปะโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนี นาโมพุทธายะรัตพุทธาไตรรัตนญาณมานีนพรัตถสิสะหาสุตัมนาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพูทโมนะบูชาบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาสีทานังวะรังตัง สีวลีจามาหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาสิโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชฌนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรตระยานมานีนประ สีสหาสะสุธรมมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถ า, มมาพุทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธาณังวรังตังสีวะริสัหาเถระอาหังวันาทามิสุรสโกอาหังวันา ท, นทนามิอาตโย อาหังวันทานิปปัสสุภูตธาอัมมะสังฆูเตนินะโมพุทธายะพระพุทธายะมนะยานะหิโนกรัตสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ โทชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทานังวังคันธังศิวะดีสมหาเสรงอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิสาธโยอาหังวันทานิสัพพโสโอชาธรรมสังฆอิเชนี เอาแพร์กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกรมในเวนเียสัพเพูธาสัพเพธรร ม, มาสัพเพสังฆาพาลาปัสตาปเจกานันจะยังาลัง ฮาลหันตานันจะเอเนรักขังอาปาโตสาธิตุสตาสาัมมะสาธิตั้งตาฮาลาปคตาานันจายังลังฮาลาหันตานันจเอเนรักขัง สัจเจพุทธะสัจเจธรรมาสัเสังฆะาลัพสัสาสัเจตานจรังกัตานัสสจเเรารักขังปันธานิสัพพโสสเพุทธสัจเธมาสัเสังฆา อาตาปะเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเทเสนารักทางปัญานิปัสสุสาเพพูตชาชาเถธรรมาชาเถสังฆาอาตาปะเจทานันจะยังพลัง อาลาหัา น, านจะนาจ่าเอเสนาลัพสามปันธามิสสะภูตังอาธิฐามิหามังอาธิฐานิสางพังอาธิฐานิ อ่าอาทิษฐานถ้าในอิษฐานรวมกําลังจั ก, กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสับเทใชาให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพร ะ, ะ, ะแก้วมรกตหรือพระชีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องะ ม, มันเป็นรูปลักของจั ก, กระพัดหรือพะะระอรหัง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 เทผุทาสาเ พุทธาสัตทธรรมาสัทตังคาทาราปัสสะปัจเจตานันติยังวะรังอาราหันตานันจเดเจนรัก so. ขันมิสัปปโสพุทธังอธิฐานิ สามิสัง้งอธิษฐานเสร็จแล้ว วันๆนึงเนี่ยนะเรามีทั้งบุญและบาป ท, ทั้งการกระทำและความคิดาาท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวนสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพรหนูกันพรมะเป็นโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีที่พระเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาสร้างแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานสีเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัะพารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพตั้งตา อาราปตาปเจตานันเจยังภารังอาราหันตานานจะเจเจนารักขังนิสปะโสสาเตพุทาสาเตธรรมาสาเตสังฆา ปัตตาปเจกานันเจยังพระรังอารหันตานันจเสเซนารักขังปัญานิสัพโสสาเปพุทธาสาเปธรมาสาเปสังขาทารปัตาปเจกานันเจยังพระรัง อาหันตานันตะเจเจนารังทามิอาปะโสสาเตกุจ่าสาเตธัมมะสาเตสังฆาอาระปะาปะเจกั